ฟังธรรมเราได้ฟังธรรมเทศนาของพระพุทธเจ้าอุ่นใจดีได้เยินกับทุกรูปทุกนามโดยตั้งใจฟังแล้วก็ได้สาธยายออกเสียงไปด้วยเป็นหลักฐาน ได้ยินแล้วได้ฟังแล้วเรื่แต่การกระทําสิ่งที่เราได้ยินได้ฟังจากพระพุทธเจ้ามันก็อยู่ที่เรานี่ไม่ได้อยู่ที่อื่นก็เกิดความพร้อมแล้วที่เราจะต้องทํารื่อแต่การกระทําอย่างเดียว การกระทำก็จะพร้อมแล้วในขนาดนี้ในทีนี้มีสติจึงจะเห็นสติเราก็มีแต่เดิมมีอยู่แล้วสติมีสติเท่านั้นที่จะเข้าไปรู้เรื่องนี้ม่ใช่อย่างอื่น ความผิดความถูกความยากความง่ายไม่ได้เกี่ยวกับการบรรลุธรรมแม้จะมีอะไรมากมายหลายอย่างที่เกิดกับกายกับใจเรานี่ก็ไม่สำคัญสาคัญอยู่ที่ว่าเรามีสติไหมนี่ต่างหากไม่ใช่ความผิดความถูกความยากความง่าย เอ็ดไวรัสทินี่คืไรรูปแบบถ้าเป็นรูปแบบก็ต้องมีสติเอารูปแบบใดๆไม่มีสติก็ไม่เช็บไม่เป็นไปเพื่อการพานิพานไม่เป็นไปเพื่อความรูแ้แจ้งเราจึงมีความพ่อมมากที่สุดน่าจะ เปิดพลังขึ้นมาแห่งสัตยามันก็อยู่ที่เรานีไม่ใช่อยู่ที่ไหนมีสติไปในกายมันก็เห็นทุกอย่างที่เกิดกิดไปมีสติไปในความคิดเวลามันคิดก็เห็นทุกอย่างที่มันเกิดจากกิจที่มันคิดออกมาจะเป็นกิเลสพันห้าตันหาร้อยเกิดมาทางความคิด ที่เป็นเทวานของกิเตเจดปะนาตนาร้ยแปเกิดมาจากกายที่มีความคิดที่เป็นรูปเป็นนามร่วมกันปรุงแต่งขึ้นมาเป็นรูปเป็นเวทนาเป็นสัญญาเป็นสังขารเป็นวิญญาณรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณ ไม่มีสติก็ใช่เป็นทางที่ผิดถ้ามีสติก็ใช่เป็นปในทางที่ถูกได้เอาประโยชน์จากมันได้นั้นมีสติต่างหากเกี่ยวกับการปฏิบัติเกี่ยวกับการศึกษาอย่าไปอ้างอย่างอื่นเลยยิ่งวิชากรรมฐาน วปชาที่สมบูรณ์เพื่อทำการนี้โดยตรงนี่สติไปในกายก็ทำได้การทุกชีวิตอยู่ที่ไหนกายอยู่ที่นั่นสติก็อยู่ที่นั่นได้ทุกโอกาสแต่ถ้ามีการกระทำ ถ้าไม่มีการกระทำก็ไม่มีอาจจะเป็นความหลงเกิดอารมณ์ในรูปเมธนาในสัญญาสังขารวิญญาณเราจะไปใช่แบบอื่นรูปพอเ ป, เ, ปเพื่อนอย่างอื่นเมตนาก็ไปย่อมซึมซับเอาอย่างอื่นจนติดจนเป็นวิญญาณ วิจารแห่งความเป็นผู้รู้หายไปหลัก น, นี้เรามาใช้มันมีหลักอยู่เช่นนี้มีสติภาในกายเห็นกายสภาวะกายไม่ใช่สัตว์ุกโคนตัวตนเราเขาจบไปแล้วอะไรที่มันเกิดกับกายสติาพาไปทางนั้นถ้าความหลงไม่จบไปไกลย เป็นภพเป็นชาติชาติไปในทางเวทนาที่มันเป็นสุขเป็นทุกข์ก็ศึก่าเวทนาก็จบไปแล้วเวทนาได้ประโยชน์ได้ประโยชน์เพราะว่าศักแต่ว่าเวทนาไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขาถ้าเราไม่มีชาติก็ไปกลายเวทนาเป็นภพเป็นชาติไป กลายเป็นสิ่งที่ติดอยู่ในจิตวิญญาณได้พ่อโค่นได้สัน ญ, ญาก็เช่นการไปให้ข้อมูลที่ผิดๆในความทุกข์ก็เป็นความทุกข์เป็นกันให้ข้อมูลเฉองที่ผิดในความหลงก็เป็นหลงในความโกรธก็เป็นโกรธในกิเลสตันหาก็เป็ น, ก, น, นกิ เ, เลสตันหา ให้ข้อมูลแก่เราแต่ทางที่ผิดก็ไปไกลเป็นใหญ่ได้ครอบครอบงมเราได้ถ้าเราเห็นวิสัญญาก็สักว่าสัญญาไม่ใช่สัตว์บุคคลตวๆเราเขาองมนนั่นแล้วก็จบไม่ไปที่ไหนก็ได้ประโยชน์ไปให้ข้อมูลหม่ มันมีเหมือนกันสัญญาจะมาเคยทเที่ยวในจิตวิญญาณของเราสิบปียีปีมันก็มาคิดยังก็มาจำสัมผัสได้โดยโชคเพราะสัญญาเป็นทุกข์เพราะสัญญาเป็นเพราะเป็นชาติเพราะสัญญาป็นตัวปทานยึดเป็นชาติชนะวันละได้กับสัญญา นัลมีสติก็จบแล้ ว, ลวจิดเห็นความคิดเช่นเดียวกันคิดเรื่องใดก็เป็นตัวเป็นตวในเรื่องนั้นเป็นสุขเป็นทุกข์เพราะความคิดเราก็เห็นก็นอยู่แล้วก็เป็นเล้วเป็นอีกน่าจะเข็ดหลาบถ้ามีสติมารู้จักเข็ดหลาบมันรู้จัก ช่วยตัวเองเป็นถ้าไม่มีสติก็มไม่รู้จักทิศ ท, ทางเราจึงมีสติเป็นที่ตั้งไว้หรือว่าที่ตั้งแห่งกรกธรรมเรียกว่ากรรมาฐานกรรมาฐานมันศักดิ์สิทธิ์เปลี่ยนพพเปลี่ยนชาติได้ ในเวลาเปลี่ยนใหม่ในสัญญาก็เปลี่ยนใหม่ในสังขารก็เปลี่ยนใหม่ในวิญญาณก็เปลี่ยนใหม่มันเประเปื้อนหมักหมมพ่อคลนอะไรที่ผิดมายเยอะแยะจนเป็นกุปปะฐานยึดเป็นตัวเป็นตนในขันที่มันมีที่มันเกิดขึ้นมา ต่างทั้งดีไม่มีทั่วไม่มตนก็เอามาเป็นสุขเป็นทุกข์ได้ถ้าเราไม่รู้แจ้งนี่สติเท่านั้นที่ไปเห็นเหล่านี้ตามความเท็จความจริงจึงว่าเห็นกายสักว่ากายเห็นเวทนาสักว่าเวทนาเห็นจิตสักว่าจิตเห็นธรรมสักว่าธรรม ไปทางนี้ไม่ใช่สุกเป็นสุกไม่ให้ทุกเป็นทุกนั่นเป็นธรรมเฉยๆเราก็เห็นเหมือนทั้งสองทางมาทางไหนก็เห็นการเห็นนี่เป็นการหลุดพ้นถ้าเป็นเราไม่หลุดพ้นถ้าสุกเป็นสุกทุกเป็นทุกไม่มีทางหลุดพ้นได้เราจึงมามาดูแล้วก็ ตามตา ม, ตามที่พระเจ้าทรงสองสอนงั้นกันหมดทุกคนตอนทางเดียวกันหมดทุกชีวิตถ้าปฏิบัติถ้าไม่ปฏิบัติก็เป็นคนละแบบถ้ามีสติจะเป็นอันเดียวกันสติเท่านั้นที่ทำให้เราเกิดภาวะที่พบเห็น ควเท็จความจริงที่เกิดกับกายกับใจเรานี่มันสนุกดีเอ๋บางทีมันเปลี่ยนความทุกข์ให้เป็นความรู้สึกตัวเนี่ยมันสมจ่อยสมกิงเปลี่ยนหลงให้เป็นความรู้เนี่ยนี่เปลี่ยนอะไรที่มันเกิดกับกายกับใจเนี่ยเปลี่ยนความง่วง ไม่เป็นผู้ตื่นลงดูมันจะเป็นอย่างไรเรี่ยนกิเลสที่มันปรุงแต่งให้เป็นความสว่างสวยเกิดขึ้นมาเหมือนดวงจันพ้นจากเป็กลงดูมันย่อมทำได้ทุกชีวิตถ้ามีพลังแห่งความเพียรมีศรัทธามีสติน่าราเป็นดีหมด ได้ประโยชน์จากความไม่ดีให้เป็นความดีได้ประโยชน์จากความผิดให้เป็นความถูกสิ่งที่มันเกิดขึ้นกับกายกับใจเองแม้จะผิดขนาดไหนก็ทําไม่ถูกได้มันจึงเป็นปฏิบัติได้ให้ผลได้จริงๆได้มีสติมันเป็นคู่กันเหมือนคุญแจกับลูกกุญแจ แล้วก็เป็นคู่แบบนี้จิงที่เกิดขึ้นกับปลากบใจมันมีคู่มันมีคู่ <c oughs> มาให้เราได้ประโยชน์จากมันเรียกว่ามนุษย์หรือว่าคนหรือว่ารูปทำนามทำรูปทำนามทำไม่ใช่รูปดุ้นดุ้นเมื่อไม่ทำก็เป็น ท, ทำสองแบบ ธรรมที่เป็นกุศลธรรมที่เป็นอกุศลร้องหลงก็เป็นธรรมที่เป็นอกุศลรวมรู้ก็เป็นธรรมที่เป็นธรรมธรรมที่เป็นกุศลมันมีคู่ตู้ทอดตามธรรมแล้วมันมีการกระทํารมให้เกิดหลงมีการกระทํารมให้เกิดรู้ ในรูปนี้ในนามนี้ถ้ามีการกระทําให้เกิดความหลงแล้วก็เป็นรูปธรรมที่เป็นอกุศล น, นามธรรมที่เป็นอกุศลดูดอยางให้ดีๆใช้อกุศลแล้วทากับชีวิตแค่ไหนเพียงรอย ใช้กุศลแล้กับชีวิตแค่ไหนเพียงลอยกุ้มค่าที่มีชีวิตไหมชีวิตเพื่อที่ใช้มันเป็นความทุกสําเร็จหรือชีวิตที่มีเพื่อรับใช้ความคั่วให้ทําให้สําเร็จหรือหรือว่าให้มีชีวิตเพื่อทํากบีได้สําเร็จมันน่าจะต้องต้นที่ตรง น, นี้ให้ดีๆ เดี๋ยว่าปฏิบัติธรรมต่อใช่ความผิดให้เป็นความผิดมันก็ไม่คุ้มใช่ความผิดให้เป็นความถูกให้ความทุกข์ก็เป็นความไม่ทุกข์มันจะเกี่ยคุ้มชีวิตเพื่อการนี้จึงจะมีคุณมีประโยชน์กับการมีชีวิต มมีให้เราเกิดขึ้นมาให้เราได้พัฒนาเรียกว่ามนุษย์มันพัฒนาได้ทำให้ดีขึ้นได้ในความไม่ดีที่เกิดเ ก, กับรูปเกดตามกาไม่ดีขึ้นมาได้ไม่ประโยชน์จึงได้สิ่งหนึ่งเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นย่อมมีความดับไปเป็นธรรมดาขี้ปุง้งไปเลยเหมือ น, นกับประกาศ โป้งออกไปเลยพ่อเจ้าขอเทศนาธรรมจักจบลงปันโชคีคนทันยาแสดงออกเป็นจำเลยคนแรกเข้าตาขายเข้ารูปขี้โป้งเหมือนก็นยกโป้ขึ้นเลยแน่แล้ว ยังกินกีส่สมุทรเยะทำ ม, มังสวปันทองโลทำ ม, มันติซึ่งได้ซึงหนึ่งเกิดขึไม่ธมรรมดาจี่นั้นเดี๋ยวบพร้อมดับไปเป็นธรร ม, มดามีหลักมีฐานแล้วอจากคนคนหนึ่งเป็นอีกคนหนึ่งอีกแล้วมั่นใจนัานา่นเราก็ไม่ขี่บอลจนทนห้าคนสมืคนชนเกิดเป็นพระหลานขึ้นมาจากปฏิบัติธรรมจาก การกรทำให้ข้อมูลแก่ตัวเองพูะเจ้าให้ข้อมูลบ้างให้ขี้ทางบ้างทางผิดทางถูกคนฟังอยู่ก็ได้กินกันทุกคนแต่จะใส่ใจแค่ไหนเพียงไรล้นเมื่อเกิดก็เลาอีกฝังหงกมากกว่าที่พูะเจ้าแสดงอีกมากมาย รู้เรื่องเดียวก็รู้ไปทั้งหมดได้ะเจ้าเป็นผู้แสดงมีเสียงมีคำพูดมีภาษารู้จักนั้วก็เป็นเรื่องของเราที่นั่งฟังอยู่นี่ทางที่ไม่ควรข้องแวะทางที่ควรปฏิบัติเป็นเช่นราย เราเดินทางมาท้างไหนให้หลงเป็นหลงให้ทุกข์เป็นทุกข์มันก็เคยทานนั้นหลงที่ไดก็เป็นหลงทุกข์ ท, กที่ไหนก็เป็นทุกข์ทุกข์กที่มันก็เลยชำนันชำนั น, นทางแบบนั้นไม่ชำนันทางในการแบบนี้ไปยันไปซะอาศัยกรมมาทานเป็นที่ตังกลับมาลู กลมาเหมือนเก้าไปผิดเก้าที่หนึ่งอาจจะผิดเก้าที่หนึ่งพลาดไปเก้าที่สองตั้งใจเข้าที่สามทำได้มั่นคงเก้าแรกไม่มั่นคงเก้าวหนึ่งพลาดไปเข้าที่สองตั้งใจเข้าที่สามมั่นคงอย่านงานี้เท่เ า, ท า, ากัาปฏิบัติได้โดย หัดก้าวเพราะมันผิดหัดให้มันถูกในทางความคิดในทางการการะทำเราจะชํานาญทางทําอะไรก็ชํานาญทางนั้นาการนาก็ทํานาญชนานาญในการทํำน า, าการไล่ก็ชํานาญในการทำไล่นวกรรมก่อสร้างก็ชํานาญในนวกรรมก่อสร้าง ที่เป็นลูกประทมที่เป็นนามะธรรมนี่ก็ชํานาญทางคุณธรรมเหยียบในที่ไม่ทำนานในที่มันผิดชํานาญในการก่อสร้างนวัตกรรมก่าชํานาญในสิ่งที่มันใช้ได้ไม่ต้อง ไม่ต้องลือ้อไม่ต้องเสียชีวิตเราก็ชำนาญในการปฏิบัติแต่พอปฏิบัติชำนาญกว่าอย่างอื่นไม่เกี่ยววัตถุที่หนึ่งที่สองง่ายกวอย่างอื่นถ้าเราหัดถ้าไมา่หัดก็ายากงืดอแยดด้านเราจึงต้องใส่ใจสักหน่อย เอาชีวิตเพื่อการนี่ลองดูโดยให้มีความพ่อมขึ้นมาทาอะไรก็ใเกิดความพ่อในด้านนี้คนอื่นทำก็ใ้เกิดความพ่อมเพื่อกันในด้านนี้ผู้หูข้าวก็้เกิดความพ่อเฉยการปฏิบัติแก่เพื่อนมิตร ดูธรรมที่อยู่อาศัยก็ให้เกิดความพร้อมใจผู้ปฏิบัติให้พักที่นี่ให้นอนที่นี่ให้ขึ้นที่นี่ให้ถ่ายที่นี่ให้ชินที่นี่ให้เก็บของที่นี่ให้ใช้ที่นี่ทางขึ้นทางลงประตูหน้าต่างให้พอสะดวกใงการปฏิบัติอะไรที่อยู่ที่นี่เพื่อเกิดความสะดวกในการ ที่บดความดีจะให้ปืดเครืองจนเกินไปปูปติค่องในมังกรทองมัดก็ให้เกิดความสะดวกในการที่จะให้ผู้คนได้ตั้งใจได้ยินเสียงของวัดเจ้าถรมวัดเย็นก็เกิดตื่นขึ้นมาก็ได้บางทีอจะหมกมุ่นคุนคิดอยู่ที่ใด เมื่อยินเชียงข้องก็จะตื่นขึ้นมาเปลี่ยนแปลงคิดถึงพระพุทธธรรมพระสงฆ์ได้เช่นสมัยหนึ่งสองตอดีของดึกสมัยสองทีมาแล้วสมัยก่อนคนค้าขายต้องมาใัยวัดเป็นที่พึ่งเพื่อหลับนอนกินข้าวด้วยเอาน้าห้องท่าด้วย ตีกองดึกตีสคืนนั่นมีผัวเมียคู่หนึ่งมานอนที่สะละเห็นผ่อเขาขายซื้อไหมหซื่อไหมเอเปลี่ยนผ้าเอาผ้ามาเปลี่ยนดอมไหมบ่ลองต่อตีกองดึกตุ่มตุ่ม ม, มานั่งป็นมือ <c oughs> หลงตาก็เห็นพอตีกองดึกจบลงก็มากอดออหลวงพ่อเอ้ยให้หลวงพ่อตีกองอย่างนี้อย่าหยุดหลันฉินมันพเพผมเคยพ้นไยจากเสียงกองอย่างนี้มาแล้วสมัยหนึ่งผมไปนอนอยู่กับวัดอย่างนี้แหละเขามาพ่น โจนมาป้นมาจับเนี่ยผมลงไปใต้สลาลาแล้วก็มาตีผมขณะที่ไม่กี่นาทีเสียงกรงดึกก็ตังขึ้นตุ่มตุ่มโจนที่ตีผมก็หยุดตีก็เลยไม่พูดอะไรสองคนเงียไปก็วางผมแล้วก็จับเอาสิงของหนีไป โจรที่คนที่จับเมียผมลงไปก่อนปกตเมียผมขึ้นมาก็หายไปเลยเสียงกองมันช่วยผมเสียงกองดึกหลวงพ่อที่วัดตีมันช่วยผมโจรผู้ไร้มันก็ได้ยินแล้วมันก็หยุดนี่คือนั่นก็เป็นชีวิตร่อมที่ดีแม่การเทศการสอนการพูดการจากรการทําไรอย่างที่เราอยู่ที่นี่ ก็น่าจะเป็นอุทาหรณ์ให้เราได้กระตือรือร้นเห็นยาเถียนยมเห็นคนปุกว า, ารเห็นมาเห็นชงทางานก็เกิดกำลังใจขึ้นมามากมายว่ามีที่พึ่งมีที่อาศัยํำหมายทัห่อถอยในการทำความดี ชั่วไม่ได้เด็ดขาดสงสารคนปรุงอาหารให้กินสงสารคนทงที่ให้อยู่อาศัยเห็นรอยยาดลอยโยมมานั่งปฏิบัติมาเดินจงกรมถนอมสนุนให้เราได้กระตือรือล้นเห็นเพื่อนเห็นมิตรมานั่งนั่งไหวพระสวดมนต์ เป็นเพื่อนเป็นเมธเป็นชีวิตจริงๆในก่อนเรอยู่คนเดียวเห็นมูดก็ดีใจเห็นนุกตัวหนึ่งบินมาก็ดีใจเห็นจิ้งกาเห็นงูเลื่อยมาก็เห็นว่าเออเป็นสัตว์เป็นเพื่อนเกิดเจ่เจ็บตายด้วยกันก็ยังอุ่นใจนี่คนเราแท้ๆทำไมจะไม่ได้อุ่นใจเป็นแล้วเพิ่งป๋อใช้กันได้บางทีต้องเพิ่งไก่ เกิดเพื่อนบ้างนี่เราไม่เพื่อนมีมิตรน่าจะต่อตื่นเราลุ่นในธรรมกับความดีเรามีชินไม่ธรรเราไม่ความดีกว่าน่าจะเอามาใช่มากมากเว ล, ลาที่มีเอามาพอกพูนในความดีมีสติหายใจเข้ารู้สึกหายใจออกรู้สึกฝึกได้ทุกรูปแบบตติโนน ทำยังไงหัดให้นอนหัให้ตื่นแต่ตื่นนอนนอนแบบรูปแบบกลม่มๆรูปแบบโมโเบรูปแบบปล่อยปล่อยวางๆเหมือนไม่ใช่รูปแบบกําหนดให้ตื่นรูปแบบปล่อยวางไม่มีอะไรเหลือก็อหลับง่ายไอ้ใช่รูปแบบปลุกให้ตื่นเหมือนกับเรายกหมูช่องจะวอกตื่นรูปอันนึง รูปแบบปล่อยแบบวางรูปแบบเห็นอีกแบบหนึง่งเวลามันเจ็บเห็นมันเจ็บรูปแบบนึ่เวลมันจะตายเห็นมันตายกับรูปแบบหนึง่งมันมีปริญญาหลายแบบของสติหม น, นหน่อยช่างศาสตร์ฉึ่นเกิดขึ้นมาจากความํำนาญ ตอ่ออกแบบอะไรได้สวยงามออกแบบชีวิตวาดชีวิตแห่งอุามงามในความเจ็บงามในความแก่งามในความตายแม้แต่ความทุกข์ก็งามได้นิ่งได้งามในความทุกข์งามในวัตถุที่มันอะไรเกิดขึ้นไม่เป็นไร มันมบองชอยแต่มือยังทำอยู่ดูเลยว่แม่ที่เขาจะตายกระใจวางแต่กายายังทำอยู่ต้องเง่งใจอยู่เสมอปัญหาความปัญหาที่เกิดกับเราแท้ เกี่ยวคล้องกันเหมืนงดนาะดอกไปกัดทบกระเทือนนั้มันเรียบเรียบนันเป็นศาสตร์เป็นศิลป์ตามมาะเนี่ยภายนอกภายในภายนอกอาจจะลุกลุยบ้างแต่ภายในมันงาม เหมือ น, นบุญละงานท่านว่าแรงโลกผู้โลกผู้เสพสัตย์ตายกายสวยเกียรตคุ้งแต่กิจนั้นมุ่งถึงองบมุ่งทางกุศลกายหน่ายงามพายในปฏิบัตธิธรรมงามคนเดียวไม่ใช่การแบกหัวกันฉีด สมาธิปัญญาพอให้งามภายในของชีวิตเราไม่รู้จักเท่าจักแก่ไม่รู้จกัจกเก็บจักตายในความไม่ดีมันจะมีความดีทุกกรณีที่เกิดกับกายกับใจไม่ใช่ชั่วเป็นชั่วผิดเป็นผิดเป็นไปไม่ได้ เราจะต้องฝึกฝนตนเองช่วยกันแทนกันได้เหมือนเลางตาพูดเรื่องไก่ไก่จาไก่จุไ ก, จจกไก่จาต่อจะไก่จาจะเป็นไก่อะไรไก่เก่เห็นไก่เกไหมเดินอยู่แถวเห็นโค้งแถวเห็นไหม ไก่แจ๋แต่ก่อนเป็นไก่จ่านะไอ้เขียวขันนี่เพราะที่สุดเป็นจา่ามีเพื่อนมีลูกนอก้องเยอะแยะต่อตกมาปีนี้เป็นไก่แจ๋ที่ก่ ย, ยังเป็นไก่จ่าอยู่บ้าแต่ปีนี้เป็นไก่แจ๋เวลาลองตาไปเดน <c oughs> ไปเดินจงกรมรอบเสือมา ว่จะมามองแล้วก็ขันขันก็ไม่พอเหมือนเดิมแลนะ <c oughs> ถ้าจะเปรียยก็เหมือนเราเดี๋ย น, เนเเยนะเสียงก็ไม่ค่อยจะมีขันไม่พอเหย่าท่าทางไม่พอก็อไปตัวเดียวหลีกมูไปเอาให้ขอเตื่นเป็นจ่าแทนตัวอื่นเป็นจ่าแทน แต่อันี้เป็นเกศไปแล้วเตินตัวเดียวหาชินแต่ทางไม่ค่อยไปนะดูสังเกตนะทางไปนี่จะเหยียบสักก้าวหนึ่งก็ก้าวไปตรงนี้จ้าอ้มบอไปล้นไปเยอะอนาหารให้ก็ไม่กระตือรื่นแล้วลมันระวังมองหน้ามองหลังค่อยๆยองไปไม่ใช่ลุกนี่ลุกโดนใครแก่ไครแก่ ชอบปล่อยคนเดียวชอบจู่ตัวเดียวชอบขันก็ไม่พอลักษณะก็ไม่งามหางเลี้ยวเี้ยวไม่ไม่งามมันนี่ไม่เป็นไก่แก่ไก่จกต้องเป็นไก่จ่าขึ้นมาไม่จานโนดจานตุ่มจานสรงสินจาน เยอะแยเลยที่นี่ไม่คีช่วยกันหน้าโจมช่วยกันเป็นผู้นำแต่เนอตัวเองเป็นผู้นำใหญ่เป็นผู้ตามหัดทำตัวเป็นผู้นำในการปฏิบัติพอจะนำอะไรได้ก็ น, นำกันไปช่วยกันคนละม้หละมือเอาให้กันเห็นยิ้มให้กันดูแสดงขวบเป็นมิตร แสดงความเป็นง่ายๆแสดงความสามารถรอยมือรอยน้ำใจเมื่อวานนี่เดินสำรวจดูดรลบรอบรบริเวณโรงทานดูทั้งหลาทา ง, ทางจากสอมสิบสี่สิบปีกับเมื่อวานนี่เหมือนต่างกันดูไปเดิมาไปเห็นปุ๋ยหมักใครทําปุ๋ยหมักไปนี่ ไม่เคียน้อยไมเออไม่เคียน้อยมยอยีมีฝีมือนี่เลยนี่ก็เห็นจิตใจเห็นล่องลอยเห็นความคิดของผู้ของคนจากความคิดกายคนัความผลนธรรมของเรากลายเป็นวัตถุสิ่งของขึ้นมาต่างเก่าเดินไปที่ใดก็ลอยมือของเพื่อน ร้อยเกะเลยนี่ก็จิงแวดล้อมชิงแวดล้อมดีมิตรสหายดีเมื่อผู้มีความโศกคนล้อมหลายลําพันคนไม่สบายกายค็ไม่สบายใจความพียรเพียรใจก็หายได้ ยังเปิดล้อมดีเพื่อนดีมิตร ด, ดีเห็นเพื่อนเดินจงกม น, นอนอยู่บางทีก็ตีหนึ่งตีสองเห็นเดินลุบปั๊บหล่มๆเห็นนั่งๆั่งนอนนอนเห็ น, น, น, นผู้เห็นคนเขาจะทำได้จะทำเหมือน คนที่ทำอยู่ในกรนีก็ทำไม่ได้เหมือนเขาก็ยังอัศจรรย์ยังสรรเสริญในใจเวลาสองทุ่มสอทุ่มคนเจอนอนแล้วแต่ตื่นขึ้นมาตื่นหนึ่งจะเห็นคนเดินยังกำอยู่ยังไม่นอนวันที่อยู่กับอาจารย์ตุ้มตอนอนตื่นหนึ่งอาจารึ์ุ้มนงนั่งเขียนนังสือ เราก็อ้เราได้ทีเพึ่งแล้วจอตุ้มนั่งไม่เคยนั่งเก้าอี้นะนั่งตังแล้วก็เอาตังมารองเขียนหนังสือไม่ <c oughs> เคยเห็นจอตุต้มนั่งเก้าอี้ น, <c oughs> นี่ก็เออเรามีที่พึ่งมีทีเพึ่งเขาดีกว่าเราแล้วเราไม่เคยใช้ชีวิตแบบนี้เลยอันนี้ก็มีกําลังใจ น่าจะไม่ชั่วเลยที่นี่นะน่าจะไม่ทุกข์เลยนะแต่ใครทุกข์ที่นี่ก็ถือว่าไม่ดูไม่อะไรเห็นที่นี่เลยไม่น่าจะมีทุกข์หรอกเลยไม่น่าจะมีความทุกข์น่าจะมีความเศร้าหมองแล้วก็ไม่น่าจะเบียดเบียนกันไม่น่าจะทะเลาะวิวาสกันเลยที่นี่นะเห็นพระทางานบอกบรนบุกบืนอัวร้อยใครโยน ทุกข์หยกั น, นเห็นใจกันมากนะนึเคยทุกข์แบบกันก่อสร้างวัดป่าพริยาสองแห่งบัดนามไนที่เราทุ่มเทชีวิตอย่างแสนทัดเพื่อนที่ทำงานหลากหลายด้วกันยังเหลืออยู่รูปเดียวเจอหลวงพ่อสมหมาย บางคนก็สึกไปแล้วแต่บางคนยังไม่สึกแต่ว่าไม่ร่วมทุกข์กันเท่าที่ควรไม่ลึกซึ้งก็ทุกข์ด้วยกันเนี่ยมันมันซึมซับชีวิตกันอย่างมากทีเดียวหนักด้วยกันลำบากด้วกันนียมันผูกพันกันมากที่สุดเลย เราได้รับความสะดวกจากคนอื่นมากที่สุดเราได้รับความเมตตากรุณาจากคนอื่นมากที่สุดมันจะชั่วไม่ได้ออยที่สุดอ้อยความชั่วเนี่ยสิ่งเวทลอคมันทำให้เราชั่วไม่ได้ยิ่งเรามีจิตเนี่ยิ่งเป็นพลังที่สำคัญที่สุดเพื่อนมิตรก็เป็นพลังที่สำคัญที่สุด สิงเวรล่องเป็นพลังที่สําคัญที่สุดเยอะแยะเลยสิ่งที่จะสนุนเคี่ยวเราเราอยู่ที่นี่เรานั่งปฏิบัติอยู่ที่กะทิยังมีคนเคี่ยวอยู่อย่างน้อยต้องหลอยชีวิตที่อยู่ที่นี่เอาลลยเอาเล ย, เ, เ, ลยเห็นคนเดินจังกรมเดินผ่านไปก็เคี่ยวในใจอยากสะบัดธงให้ ในหัวใจเป็นอย่างนั้นมีกองเชียร์สนับสนุนเยอะแยะเลยอย่าเดี่ยวพีโอกายคนเดียวอย่าถึงว่าจะเลยทุกคนเดียวหลงคนเดียวทำได้ทำไมได้อย่าไปคิดแบบนั้นใจ <c oughs> ใครก็เหมือนกันหมดนี่ก็ โอกาสดีแล้วฤดูนี้โยงไม่ดูสัตว์เล่ยคานไม่ดูไม่มีพิษ น, นั่นีอไม่ชื้นไม่แขอยู่ชวายฉบางอราชาวตูนได้เกิดการปฏิบัติมากขึ้นในฤดูนี้ฤดูนี้คนได้บรรลุธรรมมากนะสมัยข้าพเจ้าแนะล้วพระอรหันต์เกิดขึ้นฤดูนี้มุม่งหลักเมื่อไงไปวิเวกันเป็นแถว เราก็มีกิจกรรมแบบนี้ก็ออกมาฐำานเข้มเกิดขึ้นทุกปีในฤดูนี้ตามกอจีบาลก็เกิดไม่ว่าที่ไหนสายงานเราเพิ่อเทียน4่สี่สิบห้าสิบงานงานที่เป็นสายงานที่เป็นงานโจรอย่างพวกเรานี้ไม่เข้าในสายนับเพิ่มไปละร้อยงาน อ๋อวันนี้ก็สมควรเจรเวลามันไม่เสียงไม่ได็ฮะ